ตั้งประเด็นไวยสาประเด็นได้ไหมงานเพื่อเงินงานเพื่องานงานเพื่อธรรมะได้ไหมถ้างานเพื่องานไอ้เพราะงานเพื่อเงินเนี่ยสุขทุกข์สุขทุกข์ก็อยู่กับเงินอยู่ถ้างานเพื่องานสุขทุกข์ก็ไอยู่กับจุดหมายของงานมันก็มีภาวะความเครียดเมื่องานยังไม่บริลุมันรู้ผลถ้าเราต้องทำงานเพื่อธรรมะได้ไหมเนี่ยคือทํางานเป็นการฝึกความเชื่อมัน่น ให้ความเชื่อมันม่นมันมีพลังมากขึ้นได้ความแกล้งกล้าอาถารเจอปัญหาอุปสรรคแล้วจะได้เป็นเวทีทดสอบความสามารถศักยภาพทํางานก็ฝึกให้ได้สติมันมีพลังมากขึ้นแล้วก็ให้ได้ความตั้งมัน่นได้ความอดทนได้การวางท่าทีทางใจที่ถูกต้องแล้วก็ได้ปัญญาได้วิจัยแยกแยะพอทํางานจุดหมายอยู่ที่ธรรมะ งานก็เลยเป็นจุดหมายรองเ mm hmm. งินก็เลยเป็นจุดหมายรอง mm hmm. การเข้าถึงธรรมะกลายเป็นจุดหมายหลักมันกลายกลายว่ายิ่งเจอปัญหามันยิ่งมียิ่งมีปัญญาที่จะไปแก้ไขจัดการปัญหามันกลายเป็นเวทีทดสอบศักยภาพความสามารถปัญหากลายเป็นเวทีทดสอบสอบศักยภาพทั้งทักษะทั้งข้อมูลความรู้มันหลั่งไหลามาเต็มบนหัว มันรู้สึกตื่นเต้นยิ farmers, ่งเจอปัญหามากยิ่งตื่นเต้นมันได้ฝึกผลทักษะตันเองให้มากขึ้นทําให้ได้ฝึกทั้งศักยภาพทําใจตัวเองได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพได้ทั้งความสุขคุณภาพก็คือได้ทั้งสภาพจิตที easy, <iment S 3> ่ดีสมรรถภาพได้ทั้งความกล้าาอหารได้ทั้งสติได้ทั้งความอดทนได้ทั้งความตั้งมั่นแห่งจิตความสุขก็คือได้ปราโมทปีติจากการได้ฝึกผลพัฒนาตนเองมันเลยได้ธรรมะ แล้วทำงานมาเลยเชื่อมประสานกับธรรมะเชื่อมประสานกับความสุขทุกขั้นตอนจุดหมายคืองานจุดหมายคือเงินกลายเป็นผลพลอยได้มันก็เลยได้ความสุขทุกขั้นตอนเลยในขณะที่ทํางานมันเห็นผลของงานเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกระดับไอ้คนทํางานมันก็ได้ความสุขทุกๆุกกระดับยิ่งเจอปัญหาความสุขมันก็ยิ่งเกิดเพราะมันจะได้ฝึกผลพัฒนาตนเอง ปัญหามันกลายเป็นเวทีทดสอบปัญญาทําให้ปัญญาเราได้ได้มีงานในวิจัยมากขึ้นมันยิ่งตื่นเต้นเอ๊ะทำไมไม่ทําอย่างนี้บ้างจะทให้เป็นช่วงๆจะตั้งสติทําให้มันได้ทุกช่วงใช่ไหมสติหลุดก็้าถ้าถาถ้ส่นให่สดวนใหก็พยายามตั้งถ้าถ้าสติหลุดก็จะแบบมีหยุดมีเข้าใจอาจจะร้องไห้แต่ว่าไม่ให้คน ม, ม, ม, มันโเคมมากันจะร้องก็ร้องต่หน้าใครก็ร้องไปเถอะกตนั่นะประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้ น, นอยู่ว่าเราชอบปัญหาหรือไม่ชอบปัญหา อ, อย่างนี้แปลว่ามันคนไม่ชอบฝึกชอบหว่าไม่ชอบอเขาเครียดแต่ถ้าปัญหามาแล้วทำให้รู้สึกว่าชารลแล้วเราผ่านไปได้ไดปัญหาเนี่ยปัญหามันสร้างมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ย ที่ประสบความสําเร็จได้มันจะปัญหาหมดเลยนะถ้าถ้าที่อยู่ไม่มีปัญหานะหรือว่าสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันให้สุขมันให้ความฉ่าชื่นใจที่นั่นจะเฉยมนุษย์จะไม่กระตือรือร้อนหรอกฉะนั้นปัญหาต่างหากที่มันสร้างให้มนุษย์เนี่ยค้นควายดิ้นรนประเทศที่มีปัญหามากๆประเทศนั้นคนจะเก่ง สังคมไหนเจอปัญหาเยอะๆสังคมนั้นคนจะดิ้นรนขวนขวายเพราะพระเจ้านิุบัติเกิดขึ้นมาท่ามกลางของปัญหาการจะตัดสู้ได้ก็ต้องเอาปัญหานั่แหละมาเป็นตัวตัดสู้ไม่ใช่ตัดไม่ใช่ตัดสู้ความจริงบนบ น, บนที่ไม่มีปัญหาเพราะปัญหาเป็นทุกข์มันควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรแยกแยะควรใช้ปัญญาเข้าไปรับเอาปัญญาเข้าไปวิจัย ปัญหามาปัญญาไม่ต้องเกิดไม่ใช่เอาใจเขาไปรับใช่ไหมล่ะเท่าใจไปเข้าไปรับมันก็ทอทุกข์เครียดกุ้มปัญหาเป็นเรื่องของปัญญาพอมันเจอปัญหาปุ๊บมันก็ต้องตั้งหลักว่าโอ้โหได้โอกาสแล้วเราจะได้ฝึกตนเองก็ครั้งนี้แหละถ้าไม่มีปัญหาถามว่าแล้วเราจะวัดศักยภาพเราอย่างไรจะประสบความสาเร็จยังไงเนี่ย ถามว่าถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเผชิญปัญหาก็อย่ากเกิดใช่ไหมล่ะเพราะความเกิดมันก็คือปัญหาความแก่มันก็คือปัญหาความเจ็บไข้มันก็คือปัญหาความตายมันก็คือปัญหาโศกโศกกะเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นผลของปัญหาใช่ไหมทั้งสรุปก็คือว่าปัญหามันคือตัวชีวิตนั่นแหละ แล้วมันต้องแก้ไขตลอดมันต้องมันต้องใช้ปัญญาเข้ามาวิจัยแยกแยะตลอดไม่ใช่มันต้องกุ้มทุกข์เครียดวิตกกังวลแล้วจะไปยังไงชีวิตนก็มันปัญหามันเป็นความจริงอยู่มันก็เผชิญกันอยู่ทุกกระแสชีวิตไม่เห็นมันไม่มีเลยเนี่ยปัญหามันก็มีตลอดแต่เราจะแก้ปัญหาโดยสัญชาตญาณหรือจะแก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าแก้ปัญหาด้วยสัญชาตญาณเช่น ผิวก็กินไงปวดอุจจาระปัสสาวะก็เข้าห้องน้ําไปถ่ายไงเราไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาเลยนะจริงๆนะมันเป็นตามสัญชาตญาณพอหนาวก็เสื้อผ้ามาสะผมพอร้อนก็ถอดเสื้อผ้าออกอาบน้ําแต่มันแก้อย่างเนี้ก็เรียกแก้ตามสัญชาตญาณไงมันไม่ได้แก้ด้วยปัญญาถ้าปัญญามันคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่ได้สัญชาตญาณมันไม่ใช่ความเคยชินนะมันเป็นเรื่องเหตุและผล ฉะนั้นปัญหามากมันกลับยิ่งดีอันนี้นนจริงนะเนี่ยหนูหนูหนูหนูยอมรว่าจริงค่ะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาไปแก้ปัญหาจริงจจาารประเด็นและใช้ได้ถ้าแต่ยัเไม่ก่อนงั้นเวลาปัญหามาเนี่ยต้องต้องตื่นเต้นแล้วว่าเราจะได้มีโอกาสพัฒนาไอ้ตัวปัญญาให้เต็มที่ก็คราวนี้แหละ นี่เราจะได้ทดสอบศักยภาพของตนเองก็คราวนี้แหละเราจะได้วิจัยแยกแยะ ก, ก็คราวนี้แหละคิดอย่างนี้ไหมตื่นขึ้นมาคอ้เจอปัญหาเยอะๆคิดอย่างนี้ไหมไหวไห ม, มเอออย่างนี้ไงปัญหาเนี่ยมันมาเพื่อให้เราเกิดปัญญาโดยแท้เข้าใจมล่ะไอ้คนที่ไม่เจอปัญหาคนคนนั้นคือคนล้มเหลว คนล้มเหลวไม่เจอปัญหาเลยเลยในะชีวิตที่เกิดมาปัญหาที่มันผ่านมาทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันเอาเป็นบทฝึกบทเรียนอะไรได้หมดเลยนะล้มแล้วก็ลุกมาใหม่มันดีตรงลุกนี่แหละก็ไม่ควรไปอ้อยอิงกับมันเยอ ะ, ออะ ไ, มไม่ใช่ประเด็นคือก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปอ้อยอิงกับมันเยอะ บางทีเนี่ยเราเราบางทีเราอยากจะเราอยากจะไปพัวพันกับมันหนูไมอยากดูแต่หนูว่าทำไมก็ไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าทําไมแยกแยกไม่ได้เนาะจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องของปัญญาเลยแต่บางคราวเราแอบเอาใจเข้าไปรับมันเต็มๆเลยจริงนะมันก็เราก็เราก็ไปดึงมาปัญหานอกตัวเราไปดึงมา บางทีเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวนั้นด้วยแต่เรายังอวดสาใช้ความสามารถไปเที่ยวดูดเป็นท่อดูดปัญหาเนี่ยโอ้เดี๋ยวดดตรงนั้นมาดูดตรงนี้มาดูดตรงนี้มา ด, ดูา ด, ดตรงนี้มาแล้วก็มาปั่นให้มันกุ้มมันทุกนี่ไปใช้ความสามารถผิดไงแม้ความสุขต้งเยอะแยะดันไม่ดูดน่ความดีต้งเยอะแยะบางทีทําดีมาทั้งแปดสิบเปอร์เซนตเลยนะ อยี่สิบเอร์เซตมันภาดก็เป็นดึงดูดมันเอามาทำลายตัวเองอยู่นั่นแหละกลายเป็นไอ้ยี่สบมันกลายเป็นแปดขึ้นมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าประทุษาร้ายตัวเองเนี่ยพอประทุสาร้ายตัวเองก็เดือดร้อนไปเลยงั้นตรงนี้ก็ต้อง เรามองปัญหาอย่างไงเวลาเจอปัญหาปุ๊บ เ, เราเจอปัญหาปุ๊บเราคิดอย่างไรบบเราควรปฏิบัติต่อปัญหาอย่างไรอา้าวใครลองช่วยตอบหน่อยสิพอเจอปัญหาปุ๊บเราควรปฏิบัติต่อปัญหาอย่างไง อา้าควรทํายังไงต่อปัญหาเวลาเจอปัญหาตูมขึ้นมาเนี่ยควรควรปฏิบัติยังไงไ ป, ปัญหาเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของใจหรือเป็นเรื่องของปัญญ า, ญญาควรกําหนดรู้ใช่ไหมโดยหลักของอริยสัจเนี่ยควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ก็แปลว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะให้รู้ให้รู้กิจของมันก่อนว่ากิตของทุกนเนี่ย จิตของปัญหาควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ส่วนเหตุของปัญหาไอตัวสมุทัยเนี่ยควรทําควรปฏิบัติต่อมันยังไงควรละควรประหารควรกำจัดแต่เรายังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะไอมิโรดเนี่ยไอสภาวะที่ดับปัญหาหมดปัญหาสภาพที่สิ้นปัญหาเนี่ยมิโรดเนี่ย ควรประจับแจ้งควรรู้ถึงทุกควรกําหนดรู้สมูทัยเหตุของปัญหาคนละไอตัวปัญหาควรกาหนดรู้เหตุของปัญหาคนละไอสภาพที่ดับปัญหาจุดหมายควรรู้ถึงมักควรอะไรมักควรอะไรควรเจริญควรอบรมควรควรอบรมให้มีขึ้นให้เกิดขึ้น เห็นหมในมัค hmm. ข้อแรกคือปัญญาไงเวลาเราเจริญปัญญาขึ้นมามานัส si ิการฝึกให้ปัญญาเกิดขึ้นท uh uh ําความรู้ความชาญฉลาดให้เกิดขึ้นพอทําปัญญาให้เกิดขึ้นไอ้สามข้อไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยเนาะมันแปลว่ามันแก้ไปหมดเลยนะเนี่ยพอปัญญาเกิดเนี่ยอย่างเดียวแค่นั้นเองทีนี้ปัญญามันจะเกิดบนบนสภาพจิตที่อ่อนแอหรือแข็งแรง นี่มมีปัญหาตรงนี้ไงปัญญามันเกิดตรงมันจะต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงถ้าางนั้นปัญญามันไม่มาหรอกอันนี้เราไปอ่อนแออ้อยอิงพันเนาพันอทุกอยู่อย่างเงี้ยทาให้ใจเราเป็นทุกข์ตอนในขณะที่เราเกิดความสภาพจิตเราเป็นทุกข์จิตเราเครียดจิตเรากุ้มตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเดินผิดแล้วมันไปเดินข้อไหนข้อทุกข์สมุทยัยนิโรจหรือข้อมรรค ข้อสมูทยัยไอโลพาตุสาวมหหาเป็นสมูทัยเนี่ยเนี่ยเราไปสร้างเหตุของทุกข์มันเป็นเดินผิดข้อมันเป็นเรื่องของอริยสัจเนี่ยเนี่ยเขาไปเดินข้อมักแต่เราไปเดินข้อสมูทยัยพอไปเครียดไปก้มไปทุกข์มันก็ขยายปัญหาเลยทีเนี้ยเพราะมันจะสร้างปัญหาเรื่อยไปเลยทีเนี้ยแต่ว่าคุณเดินผิดข้อแล้วเขาควรอะไรในข้อเนี้ย ควรละแต่ไปเจริญมันซะนี่เนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติในอริยสัจเนี่ยมันผิดมันผิดข้อแล้วตั้งหลักใหม่แต่เนี้ยตั้งหลักมาเอ้ยผิดข้อไม่เอาว่าร้นี้จะทําปัญญาให้มันเกิดสิเอาปัญญาจะเกิดได้ด้วยอะไรด้วยสภาพจิตที่มีความเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นไหมว่าเราจะต้องฝึกปัญญาได้เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็จบเลยนะแต่เนี้ย เราเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราฝึกไม่ได้เราไม่สามารถทำปัญญายให้เกิดได้แล้วไม่อาจหารไม่เกล้ากล้าพอมันก็ถอยไปออกจากวงจรไปก็ไม่คู่ควรต่อการจะแก้ปัญหาคุณก็ถอยออกไปก็ไม่ต้องไปไปเชิญนียทําตัวเหมือนตัวอะไรไตัวตัวนิ่มอ่ะเคยห็นตัวนิ่มไหมสัตว์ป่าชนิดนึ่ง ไอตัวนี้มันมันกลัวปัญหามันขดมันไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นแหละมันก็เลยไปขดอยู่บนง่ามไม้ ส, งสูงๆมันคิดว่ามันรอดแล้วไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นขดอยู่กับไอ้ ง, ง่ามไม้อย่นันแหละแต่สัตว์ประเภทนี้ยตายง่ายมากเลยหรือหรืออีกอย่างหนึ่งเขาประมาณเหมือนหมาป่าไอหมาป่าตาขาวมันไม่กล้าออกหากินหรอก มันก็เลยไปอยู่ในโพรงไม้แล้วมันก็กลัวตอนเนี้ยมันก็เที่ยวมันตาขาวไงขี้ขาดเนี่ยมันก็ช่องเอมันเห็นใบไม้เหวไหวไหวไหวไงมันก็รีบกลัวอยู่ไม่ออกไม่กล้าออกหากินมันจินตนาการว่าเสือเหลืองมันอยู่ตรงนั้นเสือโคร่งอยู่ตรงนั้นเสือดาวอยู่ตรงนั้นอชีต้าอยู่ตรงนั้นมันนึกอย่างเงี้ยนะถ้าเอาไปมันตายแน่นอนแล้วก็ไม่ทําอะไรกลัวอยู่นั่นแหละ น, นี่ก็กลุ่มกลัวปัญหาหมดเลยเนี่ยอันนี้พวกหมาป่าตาขาวไม่กล้ารับรู้อะไรไม่กล้าไปเชิญอะไรมันขี้ขาดมังจัดในส่วนจริงๆเป็นยังไงเพราะอาหารไม่มีแล้วมันก็ตายในโพรงไม้นั่นแหละถ้าเราอยากจะตายในสังสารวัตรโดยชนิดที่มีสามารถออกจา ก, กมันได้ก็ทําแบบที่หนูทํำนี่แหละนะก็กุ้มทุกข์วิตกกังวลกั น, นไป อย่าเผชิญมันมันปัญหามันใหญ่เหลือเกินปัญหาเนี้มันไม่เหมาะกับเราเราไม่สมควรเจอปัญหาแบบนี้เลยชีวิตเนี้ยเราขอปัญหาในน้อยแค่นี้ยปัญหาหรือทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราขออุณห ภ, ภูมิแค่เนี้ยวันนี้เราเดินออกไปข้างนอกเราขออุณห ภ, ภูมิ25องศา26องศาตายอย่างเดียวนี้เนี่ยมันไม่ได้ความจริงหรอก มันก็อยู่ทุกข์เครียดทําไมมันไม่ยี่ห้าทำไมปาก็ไปสามสิบจะสี่สิบอยู่แล้วเนี่ยเพราะความอยากของเรามันไปกร ะ, ร ะ, กระทบกับปัญหาคือธรรมชาตินั้นไปความจริงเนี่ยระหว่างความอยากกับความจริงมันปะทะกันขึ้นมาใครแพ้ความอยากก็ต้องแพ้แล้วใครทุกข์ไอความอยากนั่นแหละมันทุกข์ อยากให้มันเป็นกับมันไม่เป็นนิ่มก็ทุกเลยแต่เนี้ยเครียดก้ม้าอยากไปสิทําไมมันต้องมีปัญหาด้วยมันไม่น่าเลยเนี่ยปัญหามันเลยมาขนาดนี้แล้วทําไมโรงงานเนี่ยมันเสียทําไมเครื่องจักรนี่มันพังมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ควรจะพังทําไมมาพังช่วงนี้คิดไปสิทําไมรถที่มันพังไม่น่าพังเลยนะเนี่ยทําไมรถเกิดอุบัติเหตุ แล้ววิ่งรถดีๆโอ้โหตายแล้วต้องซ่อมไม่รู้เท่าไรแล้วปีเนี้ยวเดือนเนี้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้วะทําทไมเป็นอย่างนี้วะก็บ่นไปสิหมุนไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่น่าเลยไม่อยากจะคิดไม่อยากจ ะ, ะเผชิญไม่อยากจะนั่นเลยก็ทําเป็นเอ๋มหมาป่าตัวนั้นะไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับรู้ปัญหาพอๆๆแล้วก็หลบอยู่อยู่ในโพรงนั่นแหละ ก็เชงเอไปปัญหาอยู่แล้วเชงเอปัญหาอยูแล้วก็ความจริงความจริงมันเป็นของมันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงมันก็เป็นมันอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ก็เราใช้ใจไปรับรู้เองแล้วก็เจ็บปวดซิช่วยไม่ได้อย่างไม่ฉลาดซึ่ <c oughs> งแทนที่จะต้องใช้ปัญญาก็ไปรู้ใช่ไหมละ่ะแต่ทําไมต้องใช้ใจก็ไปรับเันนไง ทกไหมยมน้าทกไหมทุ ก, ม, ทกมันก็เครียดจีพอเครียดขึ้นมาก็โหทีนนี้ล้าหมดเลยตอนี้ทั้งไหลทั้งบา่าทั้งไหลล้าหมดแล้วจํานุ้ยสองนุ้ยเลยรยังไม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูก็เป็นอย่างเงี้ยพราะตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่แล้วต่อไปว่าสี่สิบเจ็ดก็จะเป็นแบบเนี้ย เจริงมันเผชิญปัญหาเดียวกันนี่แหละปัญหาเดียวกันยงแต่มันเปลี่ยนบริบทแค่นั้นเองก็คือปัญหาเดียวกันนี่แหละไม่อยากเจอปัญหาก็ลาออกแล้วก็หนีไปเรื่อยๆหลอบอยู่ในโพรงมันลบไม่ใช่ตลอดชีวิตอย่างเดียวนะมันจะติดนิสัยไปในสังสารวัต แล้วก็จะกลายเป็นคนแบบเนี้มันจะกลายเป็นคนแบบนี้ น, น, น, บบน่ะเข้าน่ะเข้ามันก็กลายเป็นอตัวนิ่มที่พูดอย่างเกี้ยพอไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็กลัวไม่ไม่อยากปรเชิญอะไรทั้งนั้นไม่อยากปรเชิญอะไรแต่พอเดี๋ยวก็ตายอีกพอเจออะไรขึ้นมาปุ๊บขดตัวเองปุ๊บมันจะเป็นเนี้ย เมืเจอมันจะในเข้าเนี่ยมันมันจะติดเปน็นนิสัยเลยนะไอ้ น, นิสัยกลัวปัญหาเกลียดปัญหาไม่ชอบปัญหาไม่เอาแล้วเบื่อเลยเกินเบื่อเลยเกินใช <c oughs> ่ไหมหลายหลายคนเนี่ยเวลาเข้าวัดเนี่ยมาจากมุมนี้เนะี่ยมเบื่อเผชิญปัญหาแล้วมันทุกข์เข้ามาวัดดีพระไม่พระไม่ค่อยมา ไม่ค่อยไม่ค่อยขัดใจเราไปเจอหลวงตาเจอพระโยงพอมาถึงอะอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่โยงกัพระก็สอนงี้ใช่ไหมโอ้โหโล่งเลยพอฟังอย่างเงี้ยคือให้ท่องเขาไว้อย่ายึดมั่นถือมั่นอย่างงี้ที่ไหนได้มันกายไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นยุ่งอีกแต่เนี้ย ไปท่องประโยคครับว่าไม่ยึดมันมดม่นไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นน่ะข้าน่ะเข้าวเขาว่าอย่าไปสนใจมั้ยกลายเป็นปล่อยปล่านเลยมันคนไรเรื่องกันอีกตัวเนี้ยเขาไปเข้าใจบริบทธรรมะผิดเนี่ยโอ้เป็นไปใหญ่เลยตัวนี้ยเลยกลายเป็นคนทิ้งปัญหาเห็นั้มเนี่ยมันปัญหาตามมาเยอะเลยสรุปแล้วจะทํำยังไงถ้ารู้ความจริงยัง อันนั้นเบื้องต้นไอ้คาว่าท้าทายเราจะได้ฝึกตนเองเบื้องต้นนะแต่มันต้องต่ออีกเยอะเลยเนะี่ยไอ้ตัวสําคัญที่สุดตัวเนี้ยไอ้แสงสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยเคยขับรถหลงไหมแล้วเครียดไหมแต่พอคิดออกขึ้นมาพวกไอ้ความเครียดหายไหมนี่ยอันเดียวกันเห็นไหมปัญหาเนี่ยมันเป็นมันมั น, ม, นมันกลัวปัญญามาก พอปัญญามาปุ๊บมันเห็นทางออกของชีวิตทันทีเลยทีนี้ถ้าเรายังหาทางออกหรือสร้างปัญญาไม่ได้ก็ก็สงบแล้วก็นิ่งหาที่ปรึกษาหาวิธีการแต่ให้มีความสุขกับมันให้มีความสุขกับมันว่าเราจะต้องหาทางออกวันนี้มันยังคิดไม่ได้ไม่เป็นไรอรัมันจะต้องคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสร้างปัญญาที่มันคิดยังไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่เกิด ถ้าปัญญาเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยแต่เนี้ยมันจะเห็นช่องทางก็เหมือนเราวิ่งวนวนอยู่นั่นแหละทําไมคนเขารู้เขาไม่วิ่งวนเลยเพวกขับรถเนี่ยมันวิ่งปุ๊บปุ๊ป๊ไอเราวนอยู่นั่นแหละตั้งหลายรอบวัวรถวนอยู่นนแล้วเครียดถ้าเราวนสักพักหนึ่งเฮ้ยมันชักจ ะ, จะวนเลยตั้งหลักดีไหมแทนที่จะดันดันดั น, ด, นดันไปแล้วก็มาไข้ควรทําใจสวยเป็นสุขก่อนความใจมันตั้งมั่นก่อน ทำสมาธิมันเกิดสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มไตร่ตรองถ้าไม่รู้ถามผู้รู้ใช่ไหมใครที่มัรู้บ้างวะหาหน่อยสินี่ปัญหาลักษณะนี้ฟังสักสี่ห้าห้าประเด็นดูเอามาไข ค, ควรดูเฮ้ยมีทางจริงๆด้วยเก็ตื่นเต้นตรงนี้ไงไม่ได้ทดสอบมันได้สอบสวนไม่ได้ตรวจตรามันได้วิจัยไม่ได้แยกแยะเนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้แหละเราจะเจอปัญหาถ้าเราเรียนมาต้องการเจออย่างนี้ไม่ได้หรือ เขเจอขึ้นมาทําไมทําท่าอ่อนแอเรา แ, แล้วก็ใช้ปัญญาสิมันได้จังหวะเราแล้วมันได้โอกาสเราแล้วทีนี้พอมาเจอปัญหาเข้ามาจริงๆแล้วก็ไม่เอาสีก็จะเอาอยัางไงตกลงจะเอาอยัางไงแล้วก็เราบอกว่าขอแค่นี้ขอปัญหาแค่นี้ได้ไหมแล้วทาไมเที่ยวไปอ้อนวอนธรรมชาติเรา วันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องสว่างอย่าเอาความร้อนแค่นี้นะอย่าให้ร้อนกว่านี้นะอันนี้แปลว่าขอได้ไหมทั้งหมดมันคือเหตุปัจจัยนะแต่ถ้าสามารถมันทำได้จริงๆเนี่ยในห้องสี่เหลี่ยมก็ติดแอร์ติดอะไรทได้แต่ขยายไปกว่านี้ได้เอาทั้งวัดไม่ได้อไม่ได้ แต่ทั้งทั้งทั้งอำเภอทั้งจังหวัดยิ่งไม่ต้องพูดถึงมันได้ในศักยาภาพแค่ไหนในโลกใบนี้เป็นแบบนี้ฉะนั้นทุกว่าว่าเรารู้เราสร้างพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาแต่ตัวปัญญานี่มันเป็นคาตอบถ้ามันยังไม่เกิดก็อดทนหน่อยได้ไหม ไม่ใช่ว่าตีโพยตีพยตายขึ้นมาเครียดขึ้นมากุ้มออมาแล้วมันได้อะไรไไจะได้เหมือนกันนะได้ความเร่าร้อนอย่างใจความไม่สบายใจความเครียดความกุ้มได้หน้านิวคิ้วขมวดได้คางสัน่นได้ได้วาจาชั่วร้ายออกมาแล้วเหลียวทิศทางทั้งหลายอยากจะหยิบนู้นหยิบนี้ควา้งวางนั่นคว่างนี้ประหัรประหารนี่ประหัรประหานนี่ก็มาแค่นั้นเองใช่ัชหมล่ะอ่ะ นั้นจริงๆถึงบอกว่าทั้งหมดเหล่าเนี้มันอยู่ที่ว่าเรากระทําอะไรทุกอย่างก็ฉลาดในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็รู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะตั้งสติเหมือนเราอยู่กับใครเนี่ยเหมือนเนี่ยทิพต้นอยู่กับแฟนใช่ไหมแฟนถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสังเกตไดูดีว่าเออ มันจะอยู่ให้เครียดก็ได้ลองคิดดิไปทำงานจริงหรือเปล่าแอยไปคบใครหรือเปล่าก็ไม่รูนะ้นี่ลองคิดนะคิดมันกุ้งก็ได้นะนี่ยังไงวะโยคออวิธียอ๋อ้วมันมันจะปรุงแต่งให้ไปทุกข์ก็ได้ อย่างนี้เห็นชัดเลยว่าข้อแรกผิดเพราะกรณีการคู่ครองเนี่ยสัจจะใช่ไหมจริงทางวาจาพูดจริงทำจริงจริงใจนั่นขาดข้อนี้ไงเพราะขาดข้อแรกก็จบแล้วชีวิตครอบครัวไม่ต้องพูดถึงถ้าเราเฮ้ยจะมีครอบครัวต้องมีหลักนี่นะพูดจริงทำจริง จริงใจมีความสัตย์ซื่อต่อกันถ้ามีข้อนี้จบถ้าข้อนี้ไม่มีก็คุยกันถามมีข้อนี้ถ้าไม่มีข้อนี้ก็อย่าไปพบกันาแหวนกันตายเลยใช่ไหมถ้าไม่มีข้อนี้จบเลยนะีนอกนั้นยังไม่พอนะนอกจากสัจจะมีความจริงจริงทางวาจาจริงทางการกระทําจริงใจต่อการซื่อสัตย์ต่อกันแล้วข้อต่อมาต น, นี้ต้องฝึกกีนเลยนะปรับให้มันเข้ากัน ต้องปรับตลอดเลยนะชีวิตครอบครัวอกระแสชีวิตการคบค้าค บ, บ, บกันนี่ยถ้าไม่ปรับจบเลยต้องปรับตลอดเลยต้องจูนตลอดเหมือนต้นไม้รูดูร้อนรูดูดหนาวรดูฝนเนี้ยนอกจากปรับยังไม่พอต้องทนทานอดทนดแล้วก็ภาวะความมีน้ําใจอย่างนี้เป็นในรายละเอียดทรงนี้สรุปตรงนี้ก็คือพอจะสี่มงแล้ว ก็กลับไปทดสอบใหม่แล้วก็ให้เห็นวันเป็นเวทีทดสอบความสามของมันเราจ ะ, ะเวลาเผชิญปัญหาก็ตั้งหลักทุกครั้งเนี่ยเจอปัญหาพบกตั้งหลักว่าเราได้โอกาสแล้ว งานนี้เราได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นหาในบ้านนอกบ้านได้โอกาสเขาจะโอยวายอะไรนี่เราตั้งหลักกันดีเอาละเราได้โอกาสนี่ไงความจริงกาลังปรากฏอย่างนี้เราจะปรึกแล้วสิ่งเหล่านี้มันมามันมาเพื่อมันมาด้วยบุญของเราแท้ถ้าไม่เจออุปสรรคและปัญหาไอ้คันติบา ร, รมีมันจะเกิดได้ยังไงได้ขันติบา ร, รมีเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยปัญหาต้องอาศัยอุปสรรคนี่แหละปัญญาบารมีก็ต้องอาศัยปัญหาอาศัยอุปสรรคที่แหละถ้าไม่มีอุปสรรคแล้วปัญญามันจะไปวิจัยอะไรล่ะหมดสิทธิ์เลยนะมนุษย์ umu, ไม่มีปัญญาเลยนะโอ้ให้นึกตื่นเต้นกันดีเลยนะ <_ int un> ว่าโอ้มันมาที่บุญของเราแสดงว่ารเราอาธิษฐานไว้<_ <subway> <_>เอา้าเอาไปสี่<_ <AUDIO> _>เครื่อง โ, โออ ข้าไหนก็เก็บไว้นานแล้วมีใครมีใครไม่ได้ไหมคอยดูในห้องห้อลลนล่างมียังมีเหลือเดี๋ยววันนี้ฉันจะเข้ากลุ่มที่ ที่เป็นอะไรใชยมี